นี่ในอันดับต่อไปเมื่อจิตของเราสงบโปร่ปงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้ า, าว่าจิตต้องเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยเฉยเราจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เฝ้าท่านสอนให้กำหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกำหนดรูเ้เฉยอยู่จนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไป <c oughs> เป็นลำดับลำดับลงไป ถ้าหากว่าในตอนนี้เหตุของเราเกิดมาลู่ลมหายใจขึ้นมาพายเลยท่านอาจารย์เสาสอนให้กําหนดลู่ลมหายใจเราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้ า, อ อ, ขาออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยๆอย่าไปทับไปท้วงหรือไปเอกใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไป น, นึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กําหนดลู่ที่ลมหายใจเท่านั้น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 อันนี้เป็นสมาธิใกล้ๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประอกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความํำนิชำนาญเราจะสามารถเข้าสมาธิกำหนดรู้ตามระยะขององค์ฌานคือเริ่มต้นแต่วิตกไปถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นผู้ของใจวิจาร์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 จึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานเป็นจิตที่ควรน้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพระไตรลักษได้ <c oughs> เราต้องพยายามเปิดกขาดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรือโดยความเย็นใจทำใจเย็นๆอย่าไปทำย่าไปทำใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆ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 หนึ่งเมื่อเห็นนิมตตรเกิดเอใจสมาธิจะถอนสองเมื่อจิตเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมตตจิจตสงกระแสออกไปข้างนอกไปติดในิมิตแล้วก็จะตามนิมตตประนันไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไปถ้าเลกอยากจะดูนรกดูสวรรค์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 แต่ปัญหาสําคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นในเมตไพรกแล้วผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่าในเมตนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็บอกคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นผู้ปีศาจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าผู้ปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญที่นี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้น เมื่อเ น, น้อแกแ่ส่วนบุญึ้นมาเทไลสมาธิมันก็ถอนภาพนิมิต ท, ทั้งหลายก็หายไปในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลาย <c oughs> เพ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำนดรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเทานั้น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 อันนี้ถึงอันดับที่สองซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอาสุภกรรมฐานนั้นก็เย็ดเอากายักตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์ <c oughs> โดยท่านให้เย็ดหลักการพิจารณากรรมฐานห้าเป็นเบื้องต้นเป็นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเนนท่านบวชอุปชาญะ ท่านจะสอนให้อสอนกรรมฐานห้าให้เรียกว่าตาจ่ปัญจกกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกษาโลมานขาทันตาตะโจตาโจทันตาณขาโลมาเกษาแล้วท่านจะย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลนหน้าเกลียดโสโก็ไม่สวยไม่งาม เพระเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทําความสะอาดจืูเส ม, เมอถ้าปล่อยไว้ก็โสโปรกโสโครเหม็นสาบเหม็นสังไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ทําไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนแล็บฝันหลังให้เห็นเป็นของปฏิกูนน่าเกลียโสโครที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้น ก็เพื่อเป็นออบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์และที่ให้พิจารณาผมขนเล็บก่อนอืน่นก็เพราะเหตุว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดี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 กึ่งซ้อนอยู่ภายในดังนั้นท่านจึงดาท่านจึงสอนให้พิจรารณาสิ่งทั้งห้านี้ก่อนโดยพิจรารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภสมฐานคือเป็นของไร้งามน่าเปลียดโศโ ก, โกแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นของปฏิทิกูลหน้าเปลียดโศกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี่มันแตกดับทําลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้น ความปฏิโขดกล้าเปรียดโสโกมันก็ยิ่งจะปรากฏชัดท่านให้พิจรารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเกิดในเมตต์มองเห็นสิ่งทั้งห้านี้ว่าเป็นของปฏิโูดล้าเปลียดโสโกจริงๆเพื่อจะได้เป็นโอบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดจริงดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ้มหลุมจิตใจ ผูบ้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสกระเพิดปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจรารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้แนะนําไว้ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากสมบูรณว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผมผลเล็เป็นตน้น เป็นของปฏิกูลน่าเกรียดเน่าเปื่อยผุกพังได้อสุภกรรมาฐานชำนิชำนานแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะเปิดจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมาฐานฐานจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดนี้แยกออกเป็นสี่ส่วนคือเป็นตัวบันดินน้ำลมไฟ ผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแท่นแหลแข็งเป็นธาตุดินทําไมผมจึงเป็นธาตุดินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้พิจารณาให้มองเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริงๆ ในขั้นต่อไปก็พิจารณาดูน้ำได้แก่ธาตุน้ำเลือดหนองเหงือ่อน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆซึมซาบอยู่ภายในกายอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำก็พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นน้าจริงๆความอบอุ่นหรือความร้อนที่มีอยู่ในกายนี้เป็นธาตุไป สี่เิ้อลมธาตุลมคือลมเคลื่นอนพัดขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมหายใจเข้าออกเป็นตน้นเป็นธาตุลมถ้าเลาพิจารณาให้เห็นซึงลงไปว่าธาตุสี่นี้ประกอบร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไประชุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ประชุมกันอยู่แล้วมีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามายึดครอง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 เพ่งไปตรงกับคำบาลีว่าสัพเพธรรมาอนัตตานี่แนวทางของท่านอาจารย์เต่าท่านสอนให้พิจารณาแหละให้พิจารณาอย่างนี้ <c oughs> ซึ่งอาตมาได้นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฝั่งและจะด้วยประการใดก็าตามถ้าท่านะจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติันนั้น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 ดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเตรียมนั่งให้สบายจะนั่งพับเทียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้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 พุทธคุณบวชว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาบริกรรมภาวนาเป็นคู่ของใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติแล้วกนได้พุทพ ร, ร้อมลมเข้าโพพ ร, ร้อมลมออกกําหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ลมกับคําว่าพุทโธ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 อันนี้เป็นกิริยาของประสงค์เกิดขึ้นในจิตของท่านท่านทำจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้นะโอกาสใจโอกาสนั้นประพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นในจิตของท่านจิตของท่านถึงประพุทธธรรมประสงค์จิตของท่านพบประพุทธธรรมประสงค์แล้วให้ท่านกาหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียว อย่าไปนึกพุโทโธอีกเพราะการนึกพุโทโธอีกนั้นจะทำให้จิตของท่านเปลี่ยนสภาพแล้วจะถอนจากความเป็นสมาธิทันทีเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างลงไปกำหนดรู้อยู่ที่จิตสงบนิ่งสว่างเมื่อจิตมีอาการไหวไปอย่างไรกำหนดรู้ตามจิตนั่นไป ไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้น ม, ม, มาอีกคอยสังเกตตูวว่าจิตตรงกระแสไปเรืเคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปป้วความมีสติด้วยความสงบหรือเคลื่อนไปด้วยความที่จิตสอนจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางท่านอาจจะกำหนดไม่รู้ทันจิตของตนเอง เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วบางขั้นก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นม า, ท, านท่านจะรู้รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เท่าก็จะเข้าใจว่าจิตของตนเองฟุ้งซ้านลักษณะของจิตฟุ้งซ้านเราจะสังเกตได้เมื่อจิตนึกถึงอารมณ์อันใดแล้วมันทำให้จิตวุ่นวายเดื่ดต้อน อันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่ฟุง้งซ่านเมื่อจิตมีอารมณ์คือคว า, ามคิดอะไรเกิดขึ้นทําให้จิตรู้ด้วยคว า, ามสงบเทือกวยินไม่ฟุง้งซ่านทําให้เกิดปีติเกิดคว า, ามแจ่มในจิตเมื่อมีคว า, ามรู้เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทําให้เกิดปีติปลาโมตขึ้นมาในขณะนั้น